การดำเนินชีวิตของพวกเรานี่ก็เป็นเหมือนกับการดำเนินกิจการของบริษัทที่ทำมาค้าขายที่จะมีผลประกอบการมีผลกำไรหรือมีผลขาดทุนหรือเท่าทุน ขึ้นอยู่ที่ว่ามีรายได้มากกว่ารายจ่ายหรือมีรายได้เท่ากับรายจ่ายถ้ามีรายได้มากกว่ารายจ่ายก็เรียกว่ากาไรมีผลกาไรถ้ามีรายจ่ายมากกว่ารายได้ ก็เรียกว่ามีผลขาดทุนถ้ารายได้กับรายจ่ายเท่ากันก็เรียกว่าเท่าทุนชีวิตของพวกเราก็มีการกระทําที่เรียกว่าเป็นรายได้และเป็นรายจ่ายการกระทำของพวกเราที่เรียกว่าเป็นรายได้ ก็คือการทำบุญการกระทำที่เป็นรายจ่ายก็เรียกว่าการทำบาปถ้าการทำบุญมากกว่าการทำบาปผลก็คือจะได้บุญมากกว่าบาปก็ได้เรียกว่ากาไรผลของกาไร ของบุญก็คือเวลาตายไปก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมถ้าการกระทำบาปมีมากกว่าการกระทาบุญก็เรียกว่าขาดทุนเวลาตายไปก็ต้องไป เกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือไปตกนรกนี่คือเวลาที่บาปมีมากกว่าบุญเรียกว่าเกิดมาแล้วขาดทุนถ้าเกิดมาแล้วกำไรก็ ไปสู่สวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมแต่การไปรับผลของบุญหรือผลของบาปนี้ก็มีวาระสิ้นสุดเช่นเวลาไปรับผลบุญชั้นสวรรค์ชั้นพรหมก็มีวาระสิ้นสุด พอสุดแล้วสิ้นสุดแล้วก็จะเลื่อนลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพพอสิ้นสุดจากวสวรรค์ชั้นเทพก็จะลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกับการไปรับผลบาปในอบายก็จะมีวาระที่จะหมดเมื่อหมดแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มา ทำบุญทำบาปใหม่ดำเนินกิจการเหมือนกับบริษัทห้างร้านใหม่ชีวิตของพวกเราก็จะเป็นไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเคยเป็นอย่างนี้มาเป็นเวลายาวนานเพราะเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรอย่างอื่น เกิดมาเราก็ทำอยู่สองสามอย่างนี้คือทำบุญทำบาปหรือทำสิ่งที่ไม่เป็นบุญและไม่เป็นบาปแล้วก็ไปรับผลตามลำดับต่อไปจนกว่าที่เราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงค์ได้พบกับพระพุทธศาสนาที่จะบอกวิธีให้พวกเราไม่ต้องกลับมาดำเนินกิจกรรมอย่างนี้อยู่เรื่อยๆจะบอกให้เรายุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย ด้วยการบำเพ็ญภารกิจที่เรียกว่าการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้จะกำจัดเชื้อของภพชาติเชื้อที่จะพาให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายในภพต่างๆ ตามผลของบุญของบาปที่เราทำกันอยู่เวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์กันถ้าเราอยากที่จะไม่กลับมาเกิดเราก็ต้องชำระใจให้สะอาดให้ได้ และการที่จะชำระใจให้สะอาดได้ก็ต้องอาศัยการทําบุญไม่ทําบาปเป็นเครื่องมือสนับสนุนต่อการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การทําบุญนี้ทําอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นการทําบุญ การกําบุญก็คือการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษกับผู้อื่นและตนเองเรียกว่าเป็นการทาบุญการกระทาบาปก็คือการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจ ที่เป็นโทษไม่เกิดคุณไม่เกิดประโยชน์กับตนเองหรือกับผู้เช่นการฆ่าสัตว์นักทรัรพยพดผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายามาเป็นการกระทําที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นคุณแต่เป็นโทษ ทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นเพราะผู้อื่นจะได้รับความเดือดร้อนจากการฆ่าจากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดประเวณีจากการโกหกหลอกลวงจากการเสพสุรายาเมาแล้วผู้กระทําก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน พอเมื่อทำแล้วก็จะมีโทษตามมาไปฆ่าผู้อื่นก็จะต้องถูกเขาตามฆ่าไปลักทรัพย์ก็จะต้องถูกเขาจับมายึดทรัพย์เอาทรัพย์คืนไปนี่เรียกว่าการกระทาที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นคุณเป็นโทษกับผู้อื่นและกับตนเอง เราจึงเรียกว่าเป็นบาปการทำบุญก็คือการกระทำที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่เกิดโทษกับตนและกับผู้อื่นเช่นการให้ทานการแบ่งปันประโยชน์สุขที่เรามีมากกว่าที่เราจะสามารถที่จะใช้ได้ เราก็แบ่งปันให้แก่ผู้อื่นคือทำให้ผู้อื่นเขาได้รับประโยชน์ได้รับความสุขแล้วผลของการกระทำนี้ก็จะกลับมาที่ใจของเราใจของเราก็จะได้รับความสุขจากการที่เราได้แบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นและผู้อื่น เขาก็จะแบ่งปันความสุขให้กับเราเป็นการตอบแทนถ้าเขามีโอกาสถ้าเขามีความสามารถที่จะทำได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำบุญส่วนการทำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ก็คือการกําจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปเพราะกิเลสตัณหานี่จะเป็นผู้ที่จะผลักดันให้จิตใจไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะเวลามีความโลภมีความอยากก็จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือ ที่จะตอบสนองความโลภความอยากเครื่องมือที่จะตอบสนองความโลภความอยากของใจก็คือร่างกายนี่เองต้องมีร่างกายถึงจะมีตาหูจมูกลิ้นกายถึงจะสามารถเสพกามมงคลห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพได้ การเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์ก็จะให้ความสุขที่ชั่วคราวเสบแล้วได้ความสุขแล้วก็จะจางหายไปแล้วก็จะทําให้เกิดความอยากจะเสบเพอเวลาไม่ได้เสบจะมีความรู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจรู้สึกว่าขาดอะไรไปเหมือนกับขาด ลมหายใจจะต้องคอยสูดลมหายใจอยู่เรื่อยๆจะต้องโลภอยู่เรื่อยๆจะต้องอยากอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะกําจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปก็ต้องไม่ทำตามความโลภทำตามความอยากต้องหยุดให้ได้ การจะหยุดความโลภความอยากได้ก็ต้องมีเครื่องมือเหมือนกับเวลาที่รถยนต์มียางแตกจำเป็นจะต้องเปลี่ยนรถจเป็นจะต้องเปลี่ยนยางรถยนต์ถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์ได้ ชันใดการกำจัดกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจก็จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือในการกำจัดเครื่องมือที่จะใช้กำจัดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบก็คือสติสมาธิและปัญญา การมีสติก็จะทำให้ได้สมาธิคือความสงบเมื่อได้ความสงบแล้วก็จะมีความสามารถที่จะเจริญปัญญาที่จะเห็นความจริงคือเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลง เห็นโทษของความอยากที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้จิตใจหุ่นวายจิตใจไม่มีความสุขจิตใจเดือดเนื้อร้อนใจกินไม่ได้นอนไม่หลับที่ทำให้จิตใจต้องไปทำอะไรต่างๆนานาไม่รู้จักจบจากสิ้นทำเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ นี่คือเครื่องมือที่พวกเราจำเป็นจะต้องเจริญการสร้างกันขึ้นมาให้ได้ถ้าเราอยากจะกำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุที่พาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจากสิ้น การเกิดแต่ละครั้งนี้ก็จะต้องพบกับความทุกข์มากมายกายกองทุกตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่ทุกเพราะต้องหายใจ ท, ทุกเพราะว่าต้องหาต้องเดิมต้องรับประทานต้องขับถ่ายทุ ก, กับโรคภัยไข้เจ็บต่าง แล้วก็ต้องมาทุกกับการศึกษาวิชาความรู้ต่างๆเพื่อที่จะได้นำเอามาเป็นเครื่องมือในการดำรงชีพแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความอยากที่จะคอยผลักดันให้ไปหาสิ่งต่างๆมาเสพมาบำรุงบำเรอที่ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้น ได้มาเท่าไหร่มากน้อยเพียงไรก็จะไม่มีคำว่าพอจะมีแต่คำว่าอยากอยู่เรื่อยๆ mm hmm. ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสามารถหยุดความโลภความโกรธความหลงหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ ด้วยสติด้วยสมาธิและด้วยปัญญาเท่านั้นไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถกำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้นอกจากการปฏิบัติชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการจเจริญสติคอยควบคุม ความคิดของใจที่เป็นเครื่องมือของความโลภความอยากเวลาใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะมีความโลภความอยากโผล่ขึ้นมาเห็นรูปก็อยากจะได้รูปเห็นได้สัมผัสได้ยินเสียงก็อยากจะได้เสียงได้ดมกลิ่นก็อยากจะได้ดมกลิ่น ได้อะไรสัมผัสรับรู้อะไรก็มักอยากจะได้สิ่งนั้นเมื่ออยากแล้วก็ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อที่จะให้มาให้ได้มาในสิ่งที่อยากได้เวลาได้มาก็ดีอกดีใจมีความสุขอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ต้องมามีภาระกับการ ดูแลรักษาสิ่งที่ได้มาแล้วไม่ว่าจะดูแลรักษาให้ดีขนาดไหนก็ตามไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันพัดพากจากกันไปเพราะธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเป็นสิ่งที่ มีการเปลี่ยนแปลงไปมีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเวลาเจริญก็จะมีความสุขเวลาเสื่อมก็จะมีความทุกข์และพอหมดไปก็จะต้องเกิดความอยากหามาทดแทนใหม่หาสิ่งใหม่มาทดแทนต่อไป ความอยากก็จะผลักดันให้จิตใจต้องเด่นรนต่อสู้แสวงหาด้วยความลำบากยากเย็นด้วยความทุกข์ทรมานไปเรื่อยๆทุกทั้งในขณะที่หาทุกทั้งในขณะที่ได้มาแล้วและทุกในขณะที่สูญเสียไป นี่คือสิ่งต่างๆที่จิตใจอยากได้จึงต้องจึงจำเป็นจะต้องมาสอนใจให้รู้โทษของความอยากแล้วจะได้หยุดความอยากได้จะหยุดความอยากได้ก็ต้องหยุดความคิดให้ได้เครื่องมือที่จะหยุดความคิดได้ก็คือสติ ถ้าเรามีสติเราสามารถที่จะหยุดความคิดต่างๆได้สตินี้ก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยอุบายของการเจริญกรรมาฐานชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีอยู่40ชนิดด้วยกันเช่นการเจริญพุทธานุสติคือการให้เราเลึกถึงพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะเป็นการบทสวนบทพระพุทธคุณอิติปิโสภะกาวาอรหังสัมมาสัมพุทโธหรือการบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจถ้าใจมีการเจริญพุทธานุสติอยู่ใจจะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้เมื่อไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ความโลภความอยากก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เวลาใจอยู่กับพุทโธพุทโธนี้จะไม่มีความอยากเพราะไม่รู้จะไปอยากกับอะไรพุทโธก็ไม่มีไม่ได้เป็นสิ่งที่นี้น่าอยากได้แต่ถ้าเราไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะพอใจก็จะเกิดความอยากเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะขึ้นมาทันที พอเกิดความอยากแล้วก็จะเกิดความทุรนทุรายความหงุดหงิดลำคาญใจความกังวลกวายกั๊บกัสสายจนกว่าจะได้เสพในสิ่งที่อยากเสพแล้วความทุรนทุรายความกังวลกวายนั้นก็จะระงับไปชั่วคราวแล้วต่อมาถ้าไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้อีก ก็จะเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีกดังนั้นถ้าอยากจะหยุดความอยากหยุดความโลภ ก, ก็ต้องควบคุมความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้คิดไปในทางที่จะทำให้เกิดความโลภความอยากขึ้นมาวิธีง่ายๆก็คือหยุดความคิดก่อนถ้าเราไม่รู้จักวิธีคิดที่จะทำให้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรก็ต้อง หยุดความคิดก่อนการหยุดความคิดนี้ก็จะได้ประโยชน์2ประการด้วยกันคือหยุดเครื่องมือของความโลภของความอยากเวลาหยุดความคิดได้จะได้ประโยชน์ข้อที่1ก็คือหยุดความโลภความอยากได้ชั่วคราวแล้วก็ได้ประโยชน์ข้อที่2ก็คือ จะได้ความสุขจากความสงบของใจที่จะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความอิ่มมีความพอที่จะสามารถต่อสู้ต่อต้านความโลภความอยากที่จะเกิดขึ้นได้นี่คือประโยชน์จากการที่เราเจะเรีงสติเพื่อที่จะทำให้ใจสงบเพื่อให้เกิด ความสุขที่จะทำให้ใจเกิดอุเบกขาคือความนิ่งเฉยความไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆนี่คือผลที่เราต้องการได้ก็คือความสุขและอุเบกขาที่เกิดจากการหยุดความคิดปรุงแต่งอันนี้เป็นขั้นของสมาธิ แต่สมาธินี้ก็จะอยู่ไปได้ไม่นานก็มีความจำเป็นที่จะต้องออกจากสมาธิออกมาทำภารกิจที่จำเป็นจะต้องทำเช่นเลี้ยงดูร่างกายดูแลอาคารสถานที่บ้านเรือนให้สะอาดก็ต้องมีการออกมาใช้ความคิด เวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องใช้สติคอยกํากับความคิดต่อไปอย่าปล่อยให้คิดไปในทางที่จะทำให้เกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาให้ได้ก็ให้ใช้การเจริญพุทธานุสติต่อไปบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ว่าจะทำอะไรจะต้องทำความสะอาด จะต้องอาบน้ำอาบท่ารับประทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวหรือทาอะไรก็ตามเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ต้องพยายามรักษาความคิดอย่าปล่อยให้คิดไปในทางที่จะทำให้เกิดความโลภความอยากขึ้นมาได้แล้วพอมีเวลาว่างจากทำภาร ก, กิจการงานต่างๆก็กลับเข้าไปในสมาธิไป กลับมานั่งเฉยๆแล้วก็จเจริญสติต่อไปเพื่อให้ใจได้เข้าสู่ความสงบให้เกิดความสุขให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะมีความชำนาญมีความสามารถที่จะสั่งให้ใจตั้งอยู่ในอุเบกขาได้ตั้งอยู่ในความสงบได้ โดยที่ไม่ต้องนั่งก็ได้โดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้อยู่ในอิริยบทไดก็สามารถใช้สติควบคุมความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ให้คิดไม่ให้ปรุงไม่ทางความโลภความอยากต่างๆเมื่อเราสามารถที่จะควบคุมความคิดให้นิ่งอยู่ด้วยกำลังของสติได้แล้วขั้นต่อไปเราก็จะ สอนใจให้รู้จักวิธีตาดความอยากตัดความโลภให้หลุดออกจากความคิดปรุงแต่งของเราต่อไปเราคิดอะไรนี้จะไม่มีความโลภความอยากปรากฏขึ้นมาได้ถ้าเรามีปัญญาคอยสอนใจให้ดูโทษของความโลภของความอยากเวลาเกิดความโลภขึ้นมาเราจะเห็นความแตกตา่าง ภายในใจถ้าใจของเรามีความสงบเพราเวลาเกิดความโลภเกิดความอยากนี้ใจที่เย็นสบายนี้จะเริ่มร้อนขึ้นมาจะเริ่มกระเพิ่มขึ้นมาจะเริ่มมีความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาให้ให้ดูที่ที่ใจถึงใจเห็นความจริงอันนี้แล้วต้องเป็นใจที่สงบถึงจะเห็นได้อย่างชัดเจน นี่คือประโยชน์ของการเจริญสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วจะทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างเวลาเวลามีความโลภความอยากกับเวลาไม่มีความโลภความอยากว่าเป็นเหมือนนรกกับสวรรค์เลยเวลาเกิดความโลภเกิดความอยากแล้วใจจะเริ่มร้อนเป็นไฟขึ้นมาเวลาดับความโลภดับความอยากได้ใจก็จะเย็น เหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์อันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าปัญญาคือการมองให้เห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์ว่าเกิดจากความอยากเห็นความดับของทุกข์ว่าเกิดจากการหยุดความอยากถ้าเราเห็นถ้าเรามองเห็นแต่ยังหยุดความอยากไม่ได้เราก็ต้องใช้ ความจริงเข้ามาช่วยหยุดความจริงก็คือความจริงของสิ่งที่เราอยากได้ว่าเป็นของชั่วคราวไม่ถาวรเวลาได้อะไรมาหรือได้ทำอะไรตามความอยากก็จะเกิดความสุขแต่เวลาไม่ได้ทำตามความอยากก็จะเกิดความทุกข์ตามมาหรือได้ทำแล้ว ความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากก็จะจางหายไปหมดไปแล้วก็จะเกิดความอยากใหม่ปรากฏขึ้นมาอีกถ้าไม่ทำตามความอยากความอยากก็จะอ่อนกำลงกลังลงไปความอยากครั้งต่อไปก็จะเบาลงไปและเบาลงไปตามลำดับจนหมดกำลังไปในที่สุดถ้าเราเห็น ว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์มากกว่าเป็นการสร้างความสุขเพราะสิ่งที่เราอยากได้นั้นเป็นของไม่แน่นอนเป็นของที่ไม่ถาวรไม่เหมือนเดิมจำเป็นมีการเปลี่ยนไปเวลาได้มาอะไรมาใหม่ๆจะรู้สึกว่าดีไปหมดแต่พอทิ้งไปสักระยะหนึ่งสิ่งที่ได้มาก็จะเสื่อมไป ก็จะเริ่มมีปัญหามีการชำรุดทุดโทรมตามมาแล้วก็มีการหมดสภาพไปในที่สุดเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการดับไปของสิ่งต่ตางๆที่เราอาศัยให้ความสุขกับเราความสุขนั้นก็จะหมดไปพอความสุขหมดไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะมีความอยาก ไม่ต้องการให้สิ่งที่เรารักเราชอบนั้นหมดไปนั่นเองอันนี้ก็เป็นความจริงที่เราควรจะศึกษาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นนี้เป็นอนิจจงก็เป็นของชั่วคราวเป็นอนัตตาก็คือไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเราไม่สามารถสั่งให้เขาอยู่กับเราไปได้ตลอด ไม่สามารถสั่งให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการให้เป็นไปได้ตลอดเวลาที่เขาเป็นไปเปลี่ยนไปไม่ได้เป็นไปดังใจอยากเวลานั้นก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจนี่คือปัญญาที่เราจะใช้มาให้เรามาหยุดความโลภหยุดความอยากกันถ้าเราเห็น อริยสัจสี่เห็นว่าความอยากเกิดจากความทุกข์เห็นว่าการดับทุกข์นี้เกิดจากการหยุดความอยากและการจะหยุดความอยากก็ต้องเห็นอ น, นิจจังเห็นนาณาตาในสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเสพอยากสัมผสัสถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะไม่อยากได้อะไร ไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรเพราะไม่อยากจะทุกเวลาที่ไม่ได้มีไม่ได้เป็นนั่นเองถ้าไม่มีอะไรก็จะไม่มีวันที่จะต้องเสียอะไรไปถ้ามีก็ต้องเสียสิ่งนั้นไปเวลาเสียก็จะทุกข์ถ้าไม่มีก็จะไม่มีอะไรจะต้องเสียก็จะไม่มีความทุกข์ผู้ที่ไม่มีความทุกข์จึงไม่มีอะไร เช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่มีอะไรเหมือนกับที่พวกเรามีกันอยู่ท่านไม่มีลาบยศสรรเสริญท่านไม่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะท่านมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขจากสิ่งเหล่านี้นั่นเองท่านไม่จำเป็นจะต้องมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพราะท่านมีความสุขที่เกิดจากความสงบของใจและท่านก็ไม่มีความอยากเพราะท่านเห็นโทษของความอยากว่าเป็นต้นตอของความทุกข์ของใจท่านก็ไม่ทําตามความอยากจนความอยากก็หมดสภาพไปหมดกำลังไปในที่สุดใจของท่านก็อยู่อย่างสุขอย่างสบายโดยที่ไม่ต้องมีอะไร มีก็เป็นสิ่งที่ท่านไม่ยึดไม่ติดเช่นร่างกายที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายไม่มีความอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายร่างกายจะแก่ก็เป็นเรื่องของร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเรื่องของร่างกายจะตายก็เป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เป็นเรื่องของใจ ใจเข้าใจรู้ว่าไปห้ามเขาไม่ได้เพราะร่างกายไม่ได้เป็นของใจใจไม่ได้เป็นเจ้าของร่างกายร่างกายเขามีดินน้ำลมไฟเป็นเจ้าของเขาจะต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมของเขาเขามาจากดินน้ำลมไฟเขาก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามผู้ที่มีปัญญาจะเห็นว่า เป็นเพียงร่างกายไม่ได้เป็นผู้ที่มาครอบครองร่างกายผู้ที่มาครอบครองร่างกายก็คือใจที่ไม่มีวันตายร่างกายของพ่อก็มีใจของพ่อมาครอบครองร่างกายของแม่ก็มีใจของแม่มาครอบครองเวลาร่างกายของพ่อของแม่ตายไปใจของพ่อของแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจของพ่อของแม่ก็ไปตามวาละตามผลประกอบการถ้าบุญมากกว่าบาปก็ไปสู่สวรรค์ถ้าบาปมากกว่าบุญก็ไปสู่อบายถ้าชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ก็ไปสู่พระนิพพาน นี่คือที่ไปของใจหลังจากที่ร่างกายนี้ได้ตายไปแล้วไปสวรรค์ก็ได้ไปอบายก็ได้หรือไปพระนิพพานก็ได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการที่ทำกันในขณะที่มีชีวิตอยู่อย่างพระพุทธเจ้าพระอาลานตสาวกพอท่านพอร่างกายของท่านตายไปท่านก็ไปพระนิพพานกัน ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ต้องไปตามสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบุญถ้าได้ทำบุญมากกว่าได้ทำบาปถ้าได้ทำบาปมากกว่าได้ทำบุญก็ต้องไปอบายอย่างพระเทวทัตผู้ที่พยายามโปรงพระชนของพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันทำได้อย่างมากก็ทำให พ, พ่อเลือดเท่านั้นแต่ผลที่ทำให้พระพุทธเจ้านี้ห่อเลือดเป็นผลที่ร้ายแรงเท่ากับการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอราหันต์ผลประกอบการของพระเทวทัตจึงต้องเป็นผลลบคือขาดทุนคือทำบาปมากกว่าทำบุญถึงแม้ว่าจะได้บวชเป็นพระมาหลายสิบปีด้วยกันแต่ บุญที่ได้รับจากการบวชบุญที่ได้จากการเจริญสมาธิทำใจให้ทํราใจให้ปัมีอิทธิธิปาฏิหารได้ก็สู้บาปที่ทำไม่ได้กำลังของบาปนี้แรงมากกว่าผลประกอบการของพระเทวทัตเองเป็นผลลบจึงต้องไปใช้กรรมในนร ก, ก่อน แต่ผลบุญที่ได้ทำเอาไว้ที่ได้ทำจากการได้มาบวชได้การเจริญสติได้สมาธินี้ก็ยังมีอยู่พอไปใช้กรรมหมดพอได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะได้บาเพ็ญการชำระใจต่อไปและก็จะได้บรรลุปเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้า ในอนาคตต่อไปนี่คือที่มาที่ไปของใจแต่ละดวงไม่มีใครตายพวกเรานี้ที่อยู่ในที่นี้ไม่มีใครตายเวลาร่างกายของพวกเราตายไปร่างกายของพวกเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ให้กับร่างกายนี้เวลาเสื้อผ้ามันเก่ามันขาดเราก็ทิ้งไปแต่เราก็มีเสื้อผ้า ชุดให ม, มาใส่แทนฉันใดเวลาเราตายไปเวลาร่างกายนี้ตายไปใจของเราก็ไปรับผลประกอบการที่เราได้กระทํากันในภพนี้ในชาตินี้และผลประกอบการที่เรายังไม่ได้รับรับผลที่เราเคยทําไว้ในอดีตชาติก็จะมาสมทบกันแล้วก็จะ ส่งผลให้กับดวงใจของพวกเราว่าจะไปไปไหนกันจะไปสวรรค์หรือจะไปอบายกันหรือจะไปนิพพานกันชีวิตของเราจึงเป็นชีวิตที่เป็นการดำเนินกิจกรรมเหมือนกับการธุรมาค้าขายมีกำไรมีขาดทุนมีเท่าทุน เราก็สามารถที่จะทําให้มันกําไรก็ได้ทําให้มันขาดทุนก็ได้อยู่ที่ตัวเราถ้าเราคอยสังเกตดูการกระทําของเราอยู่ทุกเวลานาทีถ้าเป็นการกระทําที่จะทําให้ขาดทุนเราก็หยุดได้ถ้าเป็นการกระทําที่จะทําให้เรากําไรเราก็เร่งทําให้มากขึ้นก็ได้ อยู่ที่เราข้อสำคัญก็คือว่าอยู่ที่ว่าเรารู้หรือไม่รู้กันส่วนใหญ่ที่เราทำอะไรกันทุกวันนี้เราไม่ค่อยรู้กันว่าเป็นการทำแล้วจะทำให้เราได้กําไรหรือทำให้เราขาดทุนกันเราจึงมักจะไปทําสิ่งที่ทำให้เราขาดทุนกันโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็ต้องไปรับผลของการ กระทำของพวกเราโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นการกระทาของพวกเราเองที่ทำให้เราไปเกิดเป็นอะไรต่างๆกันที่ทำให้พวกเราอย่างต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะเราไม่รู้การกระทำของพวกเราว่ามีผลต่อจิตใจของเราอย่างไรนั่นเองแต่พบนี้ชาตินี้พวกเราได้พบกับแสงสว่าง ได้พบกับผู้รู้ถึงเรื่องของการกระทำต่างๆของเราว่าจะมีผลอะไรกับเราเช่นเราตอนนี้รู้แล้วว่าถ้าเราทำบุญเราจะได้รับผลกำไรจากการกระทำถ้าเราทำบาปเราก็จะได้รับผลขาดทุนรับผลไม่ดีถ้าเรากำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ เราก็จะไปถึงพระนิพพานเราก็จะไม่ต้องกลับมาดำเนินกิจการต่างๆเหล่านี้อีกต่อไปถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่มีวันรู้เรื่องของการกระทําต่างๆของเราได้เรื่องของกฎแห่งกรรมนี่แหละก็คือเรื่องของการกระทําของพวกเราทาบุญทาบาป ทำสิ่งที่ไม่เป็นบุญและไม่เป็นบาปและการยุติการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการชําละความโลภความอยากต่างๆเป็นความรู้ที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นเราจึงควรที่จะพยายามตักตวงความรู้เหล่านี้ให้เข้าสู่ใจอยู่เรื่อยๆ เพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมให้เรามีความรู้นี้มาคอยสอนใจมาคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาที่เรากำลังทำอะไรอยู่เราต้องรู้ทันทีว่าเป็นการทำเพื่อผลกำไรหรือทำเพื่อผลขาดทุนถ้าทำแล้วขาดทุนก็อยากทำไปถึงแม้ว่าผลที่ผลได้ที่เป็นผลเทียมนี้จะเป็นผลดีก็ตาม เช่นได้ทรัพย์ได้ลาบได้ยศมาแต่ได้มาด้วยการทำบาปอย่างนี้เราต้องรู้แล้วว่ามันมีผลอยู่สองอย่างในเกิดที่เกิดจากการกระทำแบบนี้ผลแท้และผลเทียมผลเทียมก็คือเราได้ลาบได้เงินได้ทองได้ยศได้ตำแหน่งได้อะไรต่างๆมาแต่เราเสียเราขาดทุนที่ผลของใจ ก็คือเราได้ทำบาปต้องรู้ว่าผลที่แท้จริงนั้นคือผลที่เกิดขึ้นกับใจผลที่ได้กับร่างกายนี้เป็นผลเทียมเพราะเป็นผลชั่วคราวเป็นผลที่ไม่มีประโยชน์กับจิตใจแต่อย่างใดแต่จะเป็นโทษกับจิตใจเพราะทำด้วยการกระทำบาป ถ้าทำด้วยการไม่กระทำบาปก็ไม่มีผลอะไรกับจิตใจเพราะใจไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการได้ทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองไน้ตำแหน่งอะไรมาใจจะได้รับประโยชน์ก็ต่อเมื่อใจเสียสละทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆให้แก่ผู้อื่นไปอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการได้บุญได้ประโยชน์กับจิตใจ ได้ผลกําไรแก่จิตใจเราต้องดูวัดผลที่จะเกิดขึ้นกับใจด้วยกฎแห่งกรรมว่าการกระทาของเรานี้มันเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นบุญก็คือทำแล้วทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นและกับตัวเราทำแล้วเป็นโทษกับผู้อื่นและกับตัวเราก็จะเรียกว่าบาป บาปก็อย่างที่ได้พูดไว้ก็คือการฆ่าลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีการพูดปดโกหกหลอกลวงการเสพสุลายาเมาต่างๆเป็นการกระทำที่จะเกิดโทษทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นก็ไม่ควรทําถึงแม้ว่าจะได้สิ่งต่างๆที่อยากจะได้มาจะได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายมาแต่มันก็เป็นผลชั่วคราวแต่ผลที่ ที่ถาวรก็คือผลที่จะเกิดขึ้นกับใจเวลาที่ใจจะต้องตายจากโลกนี้ไปแล้วเราต้องมองผลตัวนี้มองผลหลักมองผลที่ใจอย่าไปมองผลรองผลที่ได้จากจากการกระทำได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลินกายถ้าเรารู้จักมอง ถึงการกระทำของเรารู้ว่าการกระทาของเรานั้นเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นบุญหรือว่าเป็นบาปเราก็จะสามารถที่จะยับยั้งการกระทำบาปได้และส่งเสริมการกระทำบุญให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้เราสามารถที่จะชาระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ ต่อไปได้เมื่อเราชำระสะอาดบริสุทธิ์แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมารับผลบุญผลบาปที่เราได้ทำไว้อีกต่อไปนี่คือเรื่องของการดำเนินกิจกรรมของชีวิตของพวกเราที่พวกเราได้มีการกระทำอยู่ทุกวันทุกเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับ เราจะทำอยู่สามอย่างนี้สลับกันไปทำบุญบ้างทำบาบ้างทำในสิ่งที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาบ้างการกระทำอะไรที่ไม่เป็นบุญเป็นบาปก็คือไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษกับใครนั่นเองเช่นการดูแลรักษาร่างกายของเราอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารออกกำลังกายพักผ่อนหลับนอน อันนี้เป็นการกระทําที่ไม่เกิดคุณหรือเกิดโทษแก่ผู้อื่นเกิดเกิดเกิดประโยชน์กับตนเท่านั้นอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปการกระทําของเราก็มีอยู่สามประการนี้ในแต่ละวันเขาให้เราพยายามกําจัดการกระทําที่เป็นบาปเสียแล้วทําแต่การกระทําที่เป็นบุญหรือเป็นการกระทําที่ไม่เป็นบุญหรือไม่เป็นบาป แล้วผลประกอบการของชีวิตของพวกเราก็จะมีแต่ผลกําไรและถ้าเราอยากจะไม่ต้องกลับมาทำกรรมอย่างที่เราทำอยู่อย่างนี้เราก็ต้องพยายามชำระใจของเราให้สะอาดบอยสุดให้ได้กําจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจให้ได้พอกําจัดได้หมดแล้วใจของเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมา เกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาทําบุญทําบาปอีกต่อไปเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดและได้อยู่กับความสุขที่เกิดจากความสมงบระงับของใจที่เกิดจากความสะอาดบริสุทธิ์ของใจที่ระ ง, งับความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้นั่นเองนี่คือ เรื่องของการกระทำต่างๆที่เราจะทํากันโดยกําลังทํากันอยู่ถ้าเรารู้เราก็จะได้เลือกทำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจของเราเราก็จะทําแต่สิ่งที่จะกําจัดโทษต่างๆทุก์ต่างๆให้หมดไปจากใจของเราเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกได้ ปฏิบัติมาเราก็จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าตามพระอาหารหันตาสาวกแล้วเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายได้รับกันก็คือจะได้พบกับความสุขที่ถาวรและหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างถาวรการแสดงก็คิดว่า พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยะ า, าวาริวาหาปุราปาริโวเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกาปติอิชิตังปติตังตุมหังคิ ป, ปเมวะสมิจจัตุ สัพเพปเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยธาเมณิโตติระโสยธาสพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีธีคาโยโกภวะ อาพิวาทานาศีิตธะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลางังต่อไปนี้ก็เป็นการถามตอบปัญหาท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญ ขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ถามได้เลยมีสามคำถามนะคะพระอาจารย์คำถามแรกคือเรื่องของการบวชกับการลาศึกอะคะ่ะสำหรับชีพราม์กรณีที่ตอนเรามาบวชเราไปบวชต่อหน้าพระแล้วก็ด้วยความที่มันมีกฎระเบียบว่ามันจะต้องเวลาจะกลับก็ต้องไป ศึกต่อหน้าพระภายในสี่โมงอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีเรามีภา ร, รกิจที่ต้องไปตอนเช้าก็จะต้องไปศึกต่อหน้าพระพุทธรูปแทนอย่างเงี้ยค่ะมีความแตกต่างกันไหมคะพระอาจารย์ก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นบางคนเขาก็เห็นว่าต้องทําอย่างนี้เขาไม่สนใจว่าจะสะดวกหรือไม่สะดวกเขาว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทําอันนี้ก็เป็นความเห็นของเขา แต่ถ้าถามว่าเรื่องของการบวดการถือศีนนี้จำเป็นจะต้องมีพิธีกรรมไหมก็ไม่เห็นจำเป็นเพราะการถือศีนมันอยู่ที่ตัวเรามันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นคนอื่นก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องก็เฉพาะถ้าเราไม่รู้ว่าศีนนี้อะไรแล้วเราไปศึกษาจากท่านผู้รู้ว่าอยากจะรักษาศีลแปดมีอะไรบ้าง อันนี้ก็จำเป็นจะต้องมีผู้อื่นทบอกเล่าให้สอนเราบอกเราให้รู้ว่ามีอะไรบ้างถ้าเรารู้แล้วเราจะรักษาเมื่อไหร่มันก็อยู่ที่ตัวเราไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีการทำพิธีขอศีลหรือไม่ขอศีลแต่อย่างว่าแหะถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ใด ที่เขามีธรรมเนียมของเขามีกฎมีระเบียบของเขาเขาให้เราทําอย่างนั้นถ้าเราอยากจะอยู่ในอยู่ในสถานที่ของเขาเราก็ต้องเคารพในกฎในระเบียบของเขาที้ถ้าเราไม่สะดวกเราก็อาจจะบอกเขาไปก็ได้ว่าขอลาตั้งแต่วันบวชเลยขอลาล่วงหน้าก่อน เพราะว่าเวลาจะกลับมันไม่สะดวกที่จะมาตอนนั้น <Okay. S 2> ถ้าผู้ที่รู้จริงเขาก็จะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าผู้ที่หลงยึดติดกับพิธีกรรมก็อาจจะไม่ไม่อนุญาตให้เราทำแบบที่เราขอก็ได้ <Okay. S 2> เพราะอย่างที่คอยเทศอยู่เรื่อยว่าศีลนี่มันมีอยู่สามรูปแบบด้วยกัน รูปแบบแรกที่เราเรียกว่าสมาทานศีลอันนี้ต้องมีพระบอกศีลให้เพราะว่าจะได้เป็นการสั่งสอนให้รู้ว่าศีลมีอะไรบ้างแล้วอา น, นิสงส์ของการรักษาศีลมีอะไรบ้างเช่นเวลาพระให้ศีลเสร็จท่านก็นจะว่าสีเลนะสุกติยันติหมายความว่าผู้ที่รักษาศีลห้าข้อนี้ได้จะไปสู่สุขติ ตายไปแล้วจะไม่ไปเกิดในอบายอันนี้เรียกว่าเป็นการสมาทานศีลสําหรับคนที่เมื่อสมัยก่อนนี้จะเป็นลักษณะนี้เพราะไม่มีการศึกษาคนที่ไม่มีการศึกษาเริ่มเรียนไม่มีโอกาสที่จะได้อ่านหนังสือธรรมะก็ไม่รู้ว่าศีลมีอะไรบ้างก็เลยต้องอาศัยการไปวัดไปสมาทานศีลกันในวันพระให้พระท่านบอกศีลให้ มันก็เลยเป็นความเชื่อติดกันมาว่าจะรักษาศีลได้จะต้องสมาธานศีลก่อนแล้วศีลชนิดที่สองก็คือศีลที่เราเรียกว่าวิรัต์คำว่าวิรัตก็คือมีความตั้งใจที่จะไม่กระทำการกระทำต่างๆที่ไม่ถูกต้องก็คือศีลอันนี้วิรัตก็เหมือนกับเราถือมังสวิรัตอย่างนี้ เวลาเราจะกินเจเราต้องไปบอกให้พระบอกหรือเปล่าว่าขอสมาทานกินเจก่อนใช่อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาถ้าเรารู้แล้วว่ามีอะไรบ้างเราก็ไม่ต้องไปหาพระก็ได้ถ้าเราอยู่บ้านเราอยากจะรักษาศีล5ศีล8เราก็รักษาได้มันอยู่ที่เรารู้หรือเปล่าว่าศีลมีอะไรบ้าง ถ้ารูล้เราก็รักษาไปเราก็ตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมาว่าวันนี้จะขอรักษาศิ่งกี่ข้อก็ว่าไปอันนี้ก็เรียกว่าศิ่งวิราชแล้วสิ่งชนิดที่สามนี้ท่านเรียกว่าศิ่งของพระอริยะเจ้าคือเป็นของผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมจะเห็นว่าการผิดศีล น, นี้เป็นโทษกับตนเองอย่างชาัดเจน ก็จะไม่กระทำผิดศีลไม่ว่าในจะเป็นในเหตุการณ์อันใดกรณีใดถึงแม้จะต้องเสียชีวิตก็ยอมเสียชีวิตมากกว่าการที่จะเสียศีลอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นศีลธรรมชาติเป็นศีลปกติของผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมถ้าเรารู้เรื่องของศีลแล้วทีนี้เราก็ไปพิจารณาดูเอาเองก็แล้วกันว่าควรจะทำอย่างไร ข้อที่สองค่ะคือเวลาที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยมีคนหลากหลายประเภทใช่ไหมคะมันก็จะมีคนประเภทที่ชอบพูดในแนวเชิงบวกกับมีคนที่ชอบพูดในแนวตามความเป็นจริงทีนี้ด้วยความที่เราศึกษาธรรมะเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยทีเวลาที่เราจะวิจารณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะพูดตามความเป็นจริงเพราะเรากลัวผิดสิลข้อสี่เช่นตัวอย่างมีคนเอาข้าวผัดมาให้เราแล้วมันเค็มมากคนที่พูด แนวโพสิทีฟเป็นพูดตามแนวเชิงบวกเขาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกกินได้แต่ก็กินไปสองคำแล้วก็วางคนที่พูดในแนวเชิงตามความเป็นจริงก็จะบอกว่ามันเค็มนะเขาหน้าปรับปรุงหน่อยแต่ว่าคนที่พูดในลักษณะอย่างเงี้ยจะถูกมองว่าแรงแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่รักษาน้ําใจคนก็อาจจะตามไม่เกิดความแตกแยกหรือความไม่ไม่ค่อยชอบอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์แล้วเราจะปฏิบัติตนยังไงดีอะคะะอาจารย์ถ้าเราพูดเชิงบวกมากเราก็กลัวผิดศีลนะคะ ก็ไม่พูดเสียก็แล้วกันถ้าไม่พูดก็ไม่ผิดเสียงเหมือนกันแต่มันจะไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงเช่นเราเราต้องการให้เขาเปลี่ยนแปลงทําครั้งหน้าให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดการถ้าอยากอย่างนั้นมันก็ต้องมีก็อย่าง ก, ก็จะมีผลอย่างที่คุณคุณพูดนี่แหละมันก็จะเกิดผลตามมาอยู่ที่ว่าคุณต้องการผลไหนส่วนคนต้องการเปลี่ยนแปลงแต่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างเดียวมันมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้รับฟัง ถ้าเราชั่งน้ำหนักว่าอันไหนมีความสำคัญกว่ากันถ้าผลกระทบต่อ ผ, ผู้ได้ยินได้ฟังนี้มีน้ำหนักกว่าเราก็อยากพูด hmm. ก็ต้องใช้ปัญญาแยกแยะว่าควรจะพูดอย่างไรไม่ควรพูดอย่างไรคนฟังเขารับเหตุผลที่เราแสดงได้หรือเปล่าถ้าเขารับไม่ได้ก็อย่าไปพูดถ้ามันเป็นผลเสียคือถ้าเราพูดแล้วได้ไม่คุ้มเสียก็อย่าไปพูด ต้องใช้ปัญญาชั่งน้ําหนักด้วยบางทีช่วงที่มันเกิดสถานการณ์ปัญญามันไม่ถึงอ่ะค่ะเพราะกิเลสมาก่อนน ะ, ะ แ, แพ้กิเลสตลอดก็ไม่เป็นไรฝึกไปแล้วต่อไปมันก็จะท<ถ>ันขาดคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งก่อนจะพูดถามตัวเราเองก่อนว่าพูดไปแล้วได้คุ้มเสียหรือไม่ถ้าได้ไม่คุ้มเสียก็อยู่เฉยๆดีกว่าให้มันผ่านไปทุกอย่างมันอนิจจังอย๋ยงมันก็จบ ข้อที่สมค่ะคือเราจะมีวิธีดูแลโปรเทคตัวเองยังไงถ้าสมมติเราต้องอยู่กับคนที่เขาไม่ได้มีศีลแล้วเขาทําผิดศีลแล้วมันมีผลกระทบมาจากบุคคลที่3ามกลับเข้ามาอย่างเงี้ยอย่างเช่นยกตัวอย่างสมมติว่าสมมติ ว, มมว่าเรามีพ่อเป็นมาเฟียพ่อไปยิงคนตายคนก็สาปแช่งพ่ อ, อนี้เราเป็นลูกของพ่อเนี่ยยังไงเราก็ต้องถูก เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องถูกสาปแช่งหรือมีผลกระทบต่ออเอ ก, กรรมที่พ่อจะได้รับมาอันนี้สมมุติเฉยๆนะคะหนูมไม่ใช่ลูกมาเฟียแต่สมมุติเป็นเแบบอย่างอื่นอย่างเช่นคนในบ้านเราพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยไปทําเลวแล้วบังคนว่ามีผลกระทบกลับมาซึ่งมาโดนเราด้วยอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีปกป้องตัวเองอยังไงดีคะเพื่อไม่ให้มากระทบเราก็ไปบวชนยไปบวชแล้วก็จะไม่มากระทบก่าเราถ้าในช่วงที่ยังบวชไม่ได้ล่ะคะก็ทําใจ ก็ทำใจยังทำใจไม่เก่งอะคะ่ะก็เพราะไม่เก่งก็ช่วยไม่ได้ <laughs> ก็ต้องยอมรับผลกรรมที่มากระทบะถ้ายอมรับมันก็ถ้ายอมรับได้มันก็ทำใจได้ขอบคุณครับอาจารย์มีหมดลวคะ่ะคำถามแรกค่ะมีผู้ฝากถามมาค่ะแม่ป่วยหนกัก ร้องไห้ตลอดเวลาเพราะได้รับทุกขวเวทนาทางกายมากซึ่งแม่ไม่มีที่พึ่งไม่เอาธรรมะเลยบอกให้แม่สวดมนต์ในใจแม่ก็ไม่เอาร้องไห้อยากตายอย่างเดียวในฐานะลูกควรทำอย่างไรดีคะก็ทาใจนั่นแหละคนที่ทุกข์ตอนนี้ไม่ใช่แม่แล้วเราเป็นคนทุกข์เองถ้าเราทาใจว่ามันมันเป็นเรื่องของเขา เราก็บอกวิธีเขาแล้วถ้าเขาไม่ทําก็เขาก็ต้องรับผลของการกระทําของเขาไปเราก็ทําอะไรไม่ได้เรามาทุกแทนเขาเราก็ทุกไปเปล่าๆถ้าเราทําใจเราก็จะไม่ทุกข์คำถามต่อมาค่ะจากท่านเดิมแม่ไม่ปล่อยวางเลยค่ะยังบน่นยังอาลวาดยังห่วงนู่นห่วงนี่โทสะแรงมาก แม่เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วแต่พอป่วยก็หนักกว่าเดิมหนูกลัวว่าถ้าแม่จากไปในสภาพแบบนี้คงไม่ดีแน่หนูพอจะช่วยแม่ได้บ้างไหมคะทำอย่างไรคะแม่หนูว่าแม่ไม่ปล่อยวางหนูก็ไม่ปล่อยวางเหมือนกันนะั่นหนูปล่อยวางก่อนส่วนแม่ก็ให้แม่ก็ปล่อยของเขาเขาไม่ปล่อยก็เรื่องของเขา แต่หนูอ่ะหนูปล่อยได้ทำไมหนูไม่ปล่อยคำถามต่อมาค่ะหนูสงสารแม่ค่ะโดยเฉพาะเวลาที่แม่ร้องไห้เพราะความเจ็บปวดหนูรู้สึกแย่ที่จะช่วยอะไรแม่ไม่ได้ควรวางใจอย่างไรดีคะก็ น, นั่นแหละให้ปล่อยวางไงให้พิจารณาว่าเป็นสัพเพธรรมานาตาเป็นเป็นเรื่องของกรรมของสั์ อนัตตาก็คือเราไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้ถ้าเราทำได้ก็ทำไปถ้าทำไม่ได้ก็ต้องตรงไปคำถามสุดท้ายจากท่านเดิมค่ะมีเรื่องเล่าว่าคุณยายท่านหนึ่งป่วยหนักในห้องไอซก่อนตายคุณยายเจอเวทนาอย่างหนักเพราะกล้ามเนื้อชักกระตุกรุนแรงแต่โชคดีที่มี พระไปเยี่ยมไข้โปรดคุณยายด้วยการสอนให้คุณยายนึกถึงบุญกุศลที่คุณยายได้ทำในช่วงที่ยังแข็งแรงโดยคุณยายได้เตรียมอาหารใส่บาททุกเช้าและสวดมนต์ไหว้พระภาวนาเป็นประจำซึ่งระหว่างที่พระท่านสอนให้คุณยายนึกถึงกิจวัตรเหล่านี้ปรากฏว่าอาการกล้ามเนื้อชักกระตุก ข, ของคุณยายลดลงจนเป็นปกติ แล้วเมื่อพระท่านสอนคุณยายบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆจนกระทั่งกราฟมอนิเตอร์ชีพจรและความดันโลหิตคุณยายค่อยๆลดลงจนสงบจนนิ่งสนิทและสิ้นลมอย่างสงบคำถามคือถามว่าที่ที่ทำเช่นนี้ได้เพราะนิสัยไฝ่บุญกุศลของคุณยายใช่หรือไม่คะ และคนที่ไม่มีนิสัยไฝบุญไฝกุศลก็จะไม่สามารถทำแบบคุณยายได้ใช่หรือไม่คะก็คงจะเป็นอย่างนั้นถ้าทำได้ก็คง ก, ก็แสดงว่ามีมีความสามารถที่จะทำได้คนที่ทำไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีความสามารถคำถามจากเฟ e บุ๊กค่ะ คำถามแรกพระอาจารย์รับพระเข้ามาปฏิบัติบ้างไหมครับผมเป็นพระมหานิกายเล่าเรียนทางปริยัตมาพอสมควรหาครูบาอาจารย์ที่เป็นที่พึ่งเพื่อปฏิบัติอยู่ครับที่วันนี้เขาก็มีการรับพระแต่ต้องต้องไปรับต้องไปเข้าที่วัดวัดยานสังวรารามไม่ได้ขึ้นมาอยู่ที่บนเขานี้โดยตรงพระทุกลูกที่จะมาพำนอยู่บนเขานี้ต้อง เข้ามาพักที่วัดยานก่อนแล้วผ่านขั้นตอนของการาการรับรองของวัดก่อนถึงจะขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้ได้ตามลำดับต่อไปค่ะคำถามต่อไปจากคุณกหนกพรไพศาลอัศวเสนีดิฉันกำลังศึกษาเรื่องธาตุดินน้ำลมไฟค่ะคำถามแรกถ้าเลือดถูกนำไปต้มแล้วเปลี่ยนเป็นของแข็งเราจะเรียกเลือด ว่าเป็นธาตุดินได้ไหมคะได้จะเรียกมันเป็นธาตุดินก็ได้ค่ะคำถามสองค่ะฝรั่งเขาทดลองเอาโลหะสองชนิดมาประกบติดกันแล้วอัดด้วยด้วยแรงดันสูงติดต่อกันเป็นเวลานานานโลหะสองชนิด สามารถซึมซาบเข้าหากันได้เราสามารถเรียกโลหะว่าสองชนิดนี้ว่าธาตุน้ำได้ไหมคะเพราะมันมีลักษณะซึมซาบเข้าหากันคือถ้ามันเป็นของเหลวเราก็เรียกว่าเป็นธาตุน้ำได้ถ้าเป็นของแข็งเราก็เรียกว่าเป็นธาตุดินคำถามต่อมาค่ะถ้าทุกอย่างในโลกใบนี้ประกอบด้วยธาตุดินน้าลมไฟอย่างนี้ธาตุทั้งสี่สามารถแลกเปลี่ยนกัน เปลี่ยนแปลงเป็นธาตุต่างกันสลับกันไปกันมาได้ไหมคะได้เพราะว่าเวลาธาตุสี่นี้เขามารวมกันเขาก็เปลี่ยนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่นต้นไม้นี่ก็ต้องมีธาตุสี่ถึงจะเป็นต้นไม้ขึ้นมาได้ต้องมีธาตุดินมีธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟมาผสมกันร่างกายของพวกเราก็มีธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมมาผสมกันแล้วถึงเวลาเขาจะแยกออกจากกันเขาก็ไปกันคนละทิศคนละทาง ธาตุลมในร่างกายมีอาการพัดขึ้นสู่เบื้องบนพัดลงสู่เบื้องล่างพัดอยู่ในลำไส้พัดอยู่นอกลำไส้พัดไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ตามแนวเส้นเลือดและเส้นประสาทเราสามารถฝึกฝนที่จะควบคุมมันได้ไหมคะคงไม่ได้นะครับควบคุมได้ก็เพียงแต่ลมหายใจเข้าออก เกือมถาหยุดหายใจก็กั้นหายใจไว้ถ้าไม่อยากจะให้ลมเข้าลมออกก็กั้นหายใจไว้แต่จะกั้นไปได้ถึงไหนก็ก็แล้วแต่กำลังถ้าอยากจะกั้นอย่างเต็มที่ก็ต้องเอาผ้ามาัดปิดรูจมูกค่ะคำถามต่อมาจากคุณกรกฎสกรค่ะผมลองฝึกสมาธิมาเรื่อยๆจนวันหนึ่ง นั่งสมาธิได้สักชั่วโมงครึ่งรู้สึกเย็นบูบหนังศีรษะขนลุกและอาการนี้เพิ่งเคยเจอครั้งแรกกระผมขอกรบเรียนถามพระอาจารย์แนะนำว่าจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรครับก็นั่งต่อไปก็พิจารณาว่าผลที่เกิดขึ้นมันก็อันนี้จังก็คือไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ผ่านไปแล้ว ถ้าอยากจะให้มันเกิดขึ้นมาอีกก็นั่งแบบเดิมต่อไปแล้วต่อไปมันก็จะปรากฏขึ้นมาอีกค่ะคำถามต่อมาจากคุณชัยพฤกัครพิพัฒสกุลค่ะเวลาเราภาวนากำหนดดูลมเข้าพุทธลมออกโทแล้วนับหนึ่งจนถึงสิบแล้วย้อนกลับเป็นเก้าถึงหนึ่งแล้วเริ่มนับหนึ่งถึงยี่สิบหนึ่งถึงสามสิบทำให้มีความสงบบ้าง แต่พอทำนานไปการนับไปไม่ค่อยต่อเนื่องลืมบ้างทำให้ต้องนับใหม่ในขณะที่ต้องนับใหม่รู้สึกว่าตัวเองลืมนับเราควรทาอย่างไรครับนับใหม่เลยหรือทําความรู้สึกตัวก่อนแล้วเริ่มนับใหม่ทำอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ครับคือการนั่งการนับนี่มันเป็นอุบายวิธีที่จะให้เราหยุดคิดเรื่องราวต่าง ถ้าเรานั่งไปแล้วนับไปแล้วจนกระทั่งเราไม่ได้ไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วแล้วเราเริ่มมีปัญหากับเรื่องของการนับเราก็หยุดนับก็ได้ลองดูลมยะไปอย่างเดียวก็ได้ให้สังเกตดูว่าถ้าเราดูลมไปได้โดยที่ไม่ไปคิดอะไรเราก็หยุดนับก็ได้คำถามต่อมาค่ะจากคุณอาตีเล็กคนนี้มีคนเดียวในโลก มีพี่ที่รู้จักกันเป็นเจ้าของธุรกิจค้าขายจำพวกเนื้อสัตว์หมูปลาไก่ซึ่งมีคำสอนเรื่องว่าการค้าขายสัตว์สำหรับค่าเพื่อเป็นอาหารเป็นการค้าไม่ชอบทำมีคำถามดังนี้ค่ะข้อ 1. เป็นบาปกรรมมากไหมคะเพราะทำมาหลายปีทั้งที่เจตนาและไม่เจตนาคืออาชีพค้าสัตว์ถ้ามันเป็นสัตว์ที่ตายแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เช่นเราไปซื้อของที่ตายมาแล้วมาขายเช่นมมาค้าขายไก่ย่างไปซื้อไก่ที่เ้าฆ่าแล้วที่ขายอยู่ในตลาดมาค้าขายอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ถือว่าเป็นบาปแต่อย่างใดแต่ถ้าเราต้องฆ่าเองมันถึงจะเรียกว่าเป็นบาปคำถามต่อมาจากท่านเดิมค่ะ ถ้าเป็นบาปกรรมการทำบุญให้ทานพอจะช่วยบรรทอกรรมตรงนี้ได้ไหมขอคำแนะนำค่ะคือมันไม่สามารถที่จะไปลบล้างบาปที่เราทาไม่ได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะใช้กำลังของบุญนี้ทวงท่วงกำลังของบาปไม่ให้ส่งผลก่อนได้ถ้าเราทำบุญมากกว่าบาปถ้าบุญของเรามีกำลังมากกว่าบาปเวลาที่ ใจจะออกจากร่างนี้ก็อยู่ที่กําลังของบุญและกําลังของบาว่าใครมีกําลังมากกว่ากันถ้าบาปมีกําลังยังมากกว่าก็จะดึงใจให้ไปรับผลบาปก่อนถ้าบุญมีกําลังมากกว่าก็จะดึงใจให้ไปรับผลบุญก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าผลบุญหรือผลบาบนั้นหายไปเพียงแต่ว่าจะใครจะไปรับผลของใครก่อนรับผลบุญเสร็จแล้ว พอบุญเลื่อนลงมาเท่ากับบาปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วถ้ามากลับมาทําบุญทําบาปใหม่แล้วเวลาตายไปถ้าบาปมากกว่าบุญก็จะต้องถูกกําลังของบาปดึงไปให้ไปรับผลของบาปแต่ถ้าทุกภพทุกชาติที่มาเกิดนี่สามารถทําบุญได้มากกว่าบาปอย่างที่ได้เทศวันวันนี้ว่าถ้าสามารถมีผลประกอบการที่กําไร อยู่ทุกภพทุกชาติบาปก็ยังไม่ต้องไปใช้เหมือนไปรับผลบุญไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะเข้าพระนิพพานไปอย่างองคุลิมาเนฆ่าคนมาถึง999คนแต่สามารถที่จะยุติความอยากชำระความอยากชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดพอไม่กลับมาเกิดก็ไม่ต้องกลับมารับผลของบุญของบาป เขไม่ต้องไปเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปเกิดเป็นเทวดาไม่ต้องไปตกนรกคำถามต่อมาจากคุณบีนาบีคุณค่ะข้อแรกคนที่ตายด้วยอุบัติเหตุเป็นไปได้หรือไม่ที่เขาจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายแล้วทั้งทั้ที่เขาเป็นคนชอบทําบุญใส่บาตรมาตลอดค่ะเวลาตายไม่มีใครรู้ว่าตนเองตายนะเหมือนกับเวลานอนหลับไม่มีใครรู้ว่าตนเองนอนหลับ เวลาฝันก็ไม่รู้ว่าตัวเองฝันเวลาเราฝันนี่มันก็เหมือนกับว่าเราตายจากร่างกายนี้ไปแล้วเพียงแต่ว่าจะฝันยาวหรือฝันสั้นฝันแล้วกลับมาได้ร่างกายอันเก่าหรือได้ร่างกายอันใหม่เวลาเราตายไปแล้วเราก็หลับฝันเหมือนกับเราหลับฝันไปพอเราตื่นขึ้นมาอีกทีถ้าเราตื่นขึ้นมาได้ร่างกายอันเก่าแล้วแสดงว่าอ๋อเราฝันสั้น ถ้าเราฝันแล้วเราตื่นขึ้นมาเราได้ร่างกายอันใหม่ก็แสดงว่าฝันยาวค่ะเรื่องที่สองค่ะเราต้องทําอย่างไรเพื่อเป็นการเตรียมตัวตายที่เหมาะสมคะกับหัดทำใจให้สงบฝึกสติสมาธิปัญญาให้มากๆเราจะตายอย่างสงบตายอย่างพระพุทธเจ้าตายอย่างพระอารหาันต คำถามต่อมาค่ะของคุณวินค่ะช่วงเวลาที่เดินจงกรมมีความรู้สึกเหมือนมีพลังเต้นอยู่ที่มือที่ประสานกันยิ่งใช้ใจมองจะยิ่งเห็นชัดลักษณะอาการแบบนี้คืออะไรครับแต่ก็ยังมีลักษณะเกิดดับอยู่ครับก็เป็นผลของมันมันเป็นอย่างนั้นก็ <rico> ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีสาระสําคัญอะไรกับการปฏิบัติของเรา การปฏิบัติของเราเราควรที่จะพุ่งเป้าไปที่องค์ที่เราใช้เป็นเครื่องสิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องเจริญสติถ้าเราใช้พุโทโธเราก็ควรที่จะให้อยู่กับพุโทโธไปถ้าเราใช้การดูเท้าดูก้าวย่างของเราก็ให้อยู่กับการดูก้าวย่างไปส่วนผลอย่างอื่นที่จะเกิดขึ้นก็ถือว่ามั น, เ ป, นเป็นเรื่องปกติธรรมดา เช่นเดินไปอาจจะปวดท้องบ้างปวดหัวบ้างหรืออะไรบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของของร่างกายเข้าไปอย่าไปให้ความสนใจนอกจากว่ามันเป็นรุนแรงจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะดําเนินการภาวนาของเราได้เราก็อาจจะต้องหยุดแล้วก็มาจัดการกับปัญหาของทางร่างกายต่อไปถ้ามันไม่เป็นปัญหาต่อการภาวนาก็อย่าไปสนใจเพราะบางทีมันก็เป็น ผลข้างเคียงผลชั่วคราวที่ไม่มีสาระไม่มีไม่มีผลอะไรต่อการภาวนาก็อย่าไปเสียสมาธิกับเหตุการณ์เหล่านั้นเพราะจะทำให้การภาวนาของเราล้มเหลวไม่ก้าวหน้าได้ค่ะคำถามต่อมาค่ะบางครั้งอยู่ๆในสมองมีอาการยุบยุบคล้ายปิติ แม้ไม่ได้ทำสมาธิอาการนี้เกิดขึ้นเองได้อย่างไรครับและเราควรพิจารณาต่อไปอย่างไรครับถ้าเราไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็พิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปก็คือมันเป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่แลดับไปอนัตตาเราก็ไม่สามารถสั่งให้มันอยู่หรือสั่งให้มันหายได้ก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปเฉยๆไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับมัน ถ้าเรารู้เหตุว่ามันอะไรทําให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้ได้แ้าเราคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับเราเราก็จะเลื่อนเหตุนั้นต่อไปถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเราก็อยากไปทําเหตุนั้นค่ะคำถามจากคุณต่อมาจากคุณน้ําค้างใบบัวค่ะมิจฉาทิฐิรู้ผิดเห็นผิดเข้าใจผิดคิดว่าดีแล้วถูกที่สุดแล้ว เรามีวิธีใดบ้างเจ้าคะที่ลดระดับมันลงเจ้าคะ่ะนอกจากตามดูรู้เท่าทันมันก็ยังกำเริบและแสดงตัวตลอดเวลาคะ่ะก็ต้องเข้าหาผู้รู้ผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พยายามศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างสม่าเสมออยู่อย่างต่อเนื่องแล้วเราก็จะได้มีสัมมาทิฏฐิ ที่จะได้มาแก้มิจฉาทิฏฐิของเราต่อไปถ้าเราจะพึ่งตัวเราเองนั้นคิดว่าคงจะยากเพราะว่าเมื่อเรามีแต่มิจฉาทิฏฐิเราจะไปเอาสัมมาทิฏฐิมาจากที่ไหนเราก็ต้องเอาจากผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมาเท่านั้นคำถามต่อมาค่ะจากคุณเดวาดิฉัน กราบเรียนถามว่าระหว่างศีล์ห้ากับสัมมาทิฐิความเห็นถูกต้องอย่างไหนเราควรมีหรือควรทําก่อนกันคะเพราะเหตุใดคะคือศีล์ห้านี่ก็เกิดจากการมีสัมมาทิฐินั่นเองสัมมาทิฐิก็คือการเห็นว่าการทําบาปนี้เป็นโทษไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจของเราไม่ได้สร้างความสุขความเจริญแต่เป็นการสร้างความเสื่อมสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจ การกระทำทุกอย่างนี้ต้องเกิดจากสัมมาทิฏฐิก่อนถึงจะสามารถที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิเราก็ต้องยืมสัมมาทิฏฐิของผู้อื่นก่อนก็คือของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์ของพระอริยสงฆ์เราจึงต้องยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนะเป็นครูเป็นอาจารย์เพราะท่านเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ถ้าเราทาตามที่ท่านสอนเราก็จะเดินไปในทางของสัมมาทิฏฐิแล้วพอเราทำไปแล้วเราได้รับผลที่เกิดจากการกระทาเราก็จะเข้าใจว่าเออการกระทาแบบนี้เป็นการกระทาที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เราก็จะได้สัมมาทิฏฐิขึ้นมาค่ะต่อมาค่ะจากคุณน้อมใจสู่แดนธรรมค่ะ เอาชนะความง่วงระหว่างนั่งสมาธิได้แล้วนั่งสักพักตัวจะเกรงและสัน่นพอกำหนดรู้จะหายพอสักพักก็จะเกิดขึ้นอีกเรียนถามว่าจะแก้อย่างไรคะนั่งสมาธิแล้วตัวแลวเกรงแล้วสัน่นค่ะก็คือเอาชนะความง่วงได้ไดแล้วสักพักตัวก็จะเกรงและสั่นค่ะพอกำหนดรู้อาการนี้ก็จะหายสักพักอาการนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกคะ่ะ ก, อ ก, ก, ก็อย่าไปสนใจก็ให้ภาวนาไปให้เจริญสติไปถ้าใช้พุทโธก็พุทโธไปถ้าดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปอย่าไปสนใจกับอาการที่เกิดขึ้นค่ะคำถามต่อมาจากคุณอนิจจังทุกขังอนัตตาค่ะผมได้ปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วบริกรรมคำว่าพุทธโธแต่รู้สึกว่ามันอึดอดัดเหมือนว่ามันไม่ถนดัด เพราะเคยฝึกว่าคือดูลมหายใจเข้าออกและก็ใช้คำว่าพุทธตอนลมหายใจเข้าโทตอนลมออกแต่ที่มาเปลี่ยนเป็นบริกรรมพุทธโทยอย่างเดียวก็เพราะครูบาอาจารย์ท่านสอนให้พุทธโทเป็นหลักบางทีนึกพุทธโทก็ยากยากคือบางทีก็พุทธตั้งนานกว่าจะโท เกิดความลังเลสงสัยตลอดว่าผมคงไม่ถนัดกับพทธโทอย่างเดียวต้องกลับไปแบบเดิมสุดท้ายไม่ก้าวหน้าไปไหนผมควรแก้ปัญหานี้อย่างไรครับก็ควรจะใช้วิธีที่มันถูกกับเราที่ให้ผลกับเราวิธีที่ไม่ถูกกับเราไม่ให้ผลกับเราก็คงจะไม่ไม่ไม่ควรจะใช้ คำถามต่อมาจากคุณเพลบิชบอยค่ะเมื่อเข้าสู่นิพพานจิตผู้ปฏิบัติจะเป็นธรรมธาตุคือไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกธาตุธในความนึกคิดผมทำให้ผมนึกถึงก้อนหินดินน้ำาลำไฟที่ไม่มีความรู้สึกทุกข์หรือสุข คำถามข้อแรกคือผมกำลังมีความเห็นที่ผิดจากความเป็นจริงใช่ไหมครับว่าเมื่อเข้าสู่นิพพานจะกลายเป็นธาตุดินไม่สามารถเคลื่อนไหวได้จึงทำให้ผมกลัวไม่อยากถึงอรหันตผลขอเป็นไปเพื่อโสดาสกิทาคามีอนาคามีให้นานที่สุดขอเมตตาค่ะ ก็ดูพระพุทธเจ้าดูพระอรหันต์ต่างๆว่าท่านเป็นหินหรือเปล่าท่านเคลื่อนไหวทําอะไรได้หรือเปล่าท่านจิตของท่านก็ยังเป็นจิตเหมือนเดิมต่างตรงที่ว่าท่านปราศจากความโลภความโกรธความหลงเท่า น, นั้นเองคาถามต่อมาค่ะจากคุณชุติชุติการค่ะ กลับเรียนถามพระอาจารย์ถึงวิธีนั่งสมาธิค่ะพยายามฝึกนั่งสมาธิและบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆพอนั่งไปเรื่อยๆขาจะเริ่มเป็นเหน็บชาจนทนไม่ไหวเลยต้องเลิกทุกทีทำให้การฝึกสมาธิไม่คืบหน้าเลยค่ะขอคำแนะนำด้วยค่ะก็ต้องพยายามภาวนาต่อไปอาจจะเปลี่ยนการภาวนาเช่นถ้าเราบริกรรมพุทโธก็ลองบริกรรมให้มันถี่ขึ้น ให้มันเร็วขึ้นเพื่อที่จะดึงความสนใจของเราออกจากร่างกายให้มาอยู่กับการบริกรรมหรือถ้าการบริกรรมคำเดียวรู้สึกว่ามันไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถดึงใจไว้ได้ก็ลองใช้การสวดอะไรไปก็ได้สวดอนิจจังทุกขังอนัตตาสวดมนต์จเจริญพุทธมนต์จเจริญพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปก็ได้ อะไรก็ได้ที่ทำให้ใจของเราไม่ไปคิดถึงความเจ็บชาของร่างกายแล้วมันก็จะไม่มากระทบกระเทือนกับจิตใจของเราเวลาไปสนใจมันทำให้ใจเราหวั่นไหวไปกับาการเป็นไปของร่างกายถ้าเราไม่ไปรับรู้ไม่ไปสนใจมันก็จะไม่เป็นปัญหากับใจค่ะคำถามต่อมาจากท่านเดิมค่ะ สภาวะแบบไหนถึงเรียกว่าเข้าสมาธิได้หรืออยู่ในสมาธิคะก็ะจิตนิ่งสงบปราศจากความคิดตรงแต่งมีความสุขมีอุเบกขาสักแต่ว่ารู้บางทีร่างกายก็หายไปเหลือแต่ผู้รู้อยู่ตามลาพังสมาธิกับปัญญาต่างกันอย่างไรคะสมาธิก็คือความสงบปัญญาก็คือการเห็น สภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงของเขาคือเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคำถามต่อมาค่ะจากคุณทานสิวรัตเล่นลายหรือเฟซบุ๊กผิดศีลแปดหรือไม่ครับคือมันผู้ที่ภาวนานี่ก็ต้องปิดทวารทั้งห้าคือตาหูจมูกแิะกายันเล่นลายนี่ต้องใช้ตาใช้หูอยู่มันก็ แสดงว่ามันออกไปทางรูปเสียงกลิ่นรสแล้วค่ะคำถามสุดท้ายของวันนี้ค่กะกเคยได้ยินคําตอบของคําถามที่ว่าการมีดวงตาเห็นธรรมคือการเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงมันถูกต้องหรือไม่เจ้าคะและเราเป็นเพียงปุตุนตชนคนธรรมดาที่ยังต้องทํามาหากินเลี้ยงชีพไปวันๆแต่ตั้งใจรักษาศีลและภาวนาไปตลอดชีวิต และยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมเลยจึงเข้าใจว่าการเห็นทุกอย่างตามความจริงคือการยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเป็นความเข้าใจถูกหรือเปล่าคะถูกต้องไหมคะก็เห็นว่าทุกอย่างมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปกําหนดกฎเกณฑ์ได้เสมอถ้าเราอยากให้เขาเป็นต่างจากที่เรา ต้องการให้จะเป็นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาให้เห็นแบบนี้ก็ถือว่ามีความเห็นที่ถูกต้องอหมดคำถามจากทางบ้านแล้วที่นี่มีใครมีอะไรคาใจายอยู่ที่อยากจ ะ, ะพูดให้ถามต่อหรือไม่ถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา